ทำไมต้องโกรธคนบางคนมากเป็นพิเศษถามปกติจะเป็นคนใจเย็นแต่สงสัยทำไมในบางสถานการณ์บางคนถึงทำให้เราโกรธได้มากทั้งที่เป็นเหตุการณ์ธรรมดาธรรมดาอย่างเช่นเราจะถอยรถเข้าจอดดีๆรถที่ตามมาต้องจอดรอก็มองหน้าด้วยความไม่พอใจ ตอนนั้นเกิดความโกรธแบบอยากมีเรื่องเอาไงเอากันอย่างเนี้ยขอคําอธิบายได้ไหมนี่คือคู่เวรเก่าหรือเปล่าต่อถ้าไม่สามารถระลึกชาติได้ด้วยตนเองก็อย่าเพิ่งหาคําอธิบายระดับข้ามภพข้ามชาติเลยครับเอาคําอธิบายแบบเป็นเหตุเป็นผลที่ฟังขึ้นดีกว่า พัทสะที่มากระทบเราให้เกิดความชอบความชังนั้นมีความหนักเบาต่างกันคล้ายลูกเทนนิสลูกบอลและลูกบาสที่มีขนาดและน้ำหนักต่างกันความแข็งแน่นต่างกันและถ้าพุ่งมาปะทะเราด้วยความแรงต่างกันความเจ็บปวดก็จะผิดกันเป็นคนละเรื่องกำลังจิตของแต่ละคนเปรียบเหมือนขนาดวัตถุ บางคนเท่าลูกเทนนิสบางคนเท่าลูกบอลบางคนก็เท่าลูกบาสส่วนเจตนาจำงคิดประทุษร้ายหรือคิดหาเรื่องนั้นเปรียบเหมือนแรงความเร็วที่วัตถุพุ่งเข้ามากระทบเราฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้าแค่มองหน้ากันแล้วเป็นเดือดเป็นแค้นเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาได้มากราวกับเคยตามล่าจองล้างกันมาแต่ปางไหน อีกประการหนึ่งความโกรธนั้นมีหลายรูปแบบเช่นโกรธอย่างมีสติกับทั้งมีเหตุผลสมควรให้โกรธอีกแบบคือโกรธอย่างไร้สติขาดเหตุผลในการโกรธแทบสิ้นเชิงชนิดของความโกรธที่แตกต่างกันนั้นเปรียบเหมือนเชื้อไฟต่างชนิดที่จุดชนวนโกรธให้คนอื่นได้ผิดกันไปด้วย สำหรับความโกรธที่ยังมีสติและเหตุผลอันควรโกรธนั้นสัมผัสดูจะมีแต่แรงอัดหรือความกดดันที่ก่อบรรยากาศทึบถึมชั่วขณะหรือถ้าร้อนก็ร้อนแบบไฟไหม้ฟางรู้สึกได้ว่าเดี๋ยวเดียวก็หายความโกรธชนิดนี้เห็นแล้วจะไม่พลอยขัดเกืองตามไปด้วยมากนะัก แต่ส่วนความโกรธที่ไร้สติและเหตุผลอันควรโกรธนั้นสัมผัสจะหยาบก่อความระคายรุนแรงเสียแทงกันได้เหมือนเข็มแหลมขนาดแค่มองหน้ากันก็เจ็บใจราวกับโดนอีกฝ่ายแกล้งบิดไส้บิดพุงให้ควันเกลียวก็ไม่ปานพูดง่ายๆว่าความโง่อย่างแรงของฝ่ายหนึ่งอาจชักจูงให้อีกฝ่ายหนึ่งพลอยโง่าตามไปด้วยชั่ววูบ และช่วยวูบนั่นเองอาจหมายถึงการชักปืนออกมายิงกันบนถนนอย่างง่ายดายเหลือเชื่อทั้งที่เกิดมาเพิ่งเคยเจอหน้าเป็นครั้งแรกแท้ๆการที่เราเป็นฝ่ายถูกทำให้โกรธรุนแรงตามคนอื่นแบบปุบ ป, ปับฉับพลันนั้นดูเผินๆ เ, เหมือนหน้าเห็นใจอยู่ไม่น้อยเพราะเป็นฝ่ายถูกกระทาก่อน แต่หากพิจารณาดีๆแล้วฝ่ายเรามีโอกาสตั้งสติมากกว่าฝ่ายเรามีโอกาสตัดเรื่องไม่เป็นเรื่องออกจากใจได้ก่อนและฝ่ายเรามีโอกาสทำจิตเป็นน้ำเย็นเข้ารูปจิตเขาได้ง่ายกว่าฉะนั้นเป็นสิทธิ์ตัดสินใจของเราว่าคราวต่อไปถ้าเจอเหตุการณ์ไร้สาระทำนองเดียวกันอีกเราจะยอมโง่าตามโลก หรือฉลาดเลือกสวนกระแสโลกความโกรธอย่างไร้เหตุผลมักตามมาด้วยการผูกใจเจ็บยืดเยื้อเพราะคุณไม่รู้จะเอาเหตุผลอะไรไปดับความโกรธความโกรธอย่างไร้เหตุผลเหมือนเชื้อโรคร้ายที่ถ้าเปิดรับเข้ามาครั้งหนึ่งก็อาจลุกลามจนรักษาไม่หายได้ เมื่อพิจารณาจนเข้าใจถ่องแท้ว่าคุณกับเขาเป็นคนละคนกันต่างฝ่ายต่างถือกรรมคนละแบบมีคุณภาพจิตใจคนละระดับคุณไม่จําเป็นต้องอึดอัดกับความไร้เหตุผลของเขานานๆนนตลอดจนไม่จําเป็นต้องหลงพลัดไปเป็นคนแบบนั้นด้วยเห็นเปรียบเทียบเข้าไปจนเห็นความต่างอย่างชัดเจนได้จริงเมื่อไรความสว่างทางปัญญา ก็จะฉายเข้ามาแทนความมืดแห่งโทสะไปได้เองครับ